บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปมหมวดที่ว่าด้วยอยายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันเวลาที่ตายเห็นรูปเป็นต้นนั้นถ้าก็มีกิเลสที่สงใช้คำว่าสังโยชน์ข้ใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น ก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนั้น น, นสังโยชนัน้นก้อนนั้นเกิดขึ้นในเมื่อมีการเกิดของกิเลสไม่ว่าจะทรงจับแน่แสดงไว้โดยปริยายอย่างไรก็ตามแต่ก็มุ่งหมายที่จะรู้ความจริงแล้วมองเห็นโทษของกิเลสอันนั้นและเพียรพยายามลดละบรรเทาจนถึงสงบระงับดับไปให้ได้ แม้จะต้องกินเวลามากก็ตามเพราะความเจริญเติบโตขึ้นของกิเลสว่าจะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามจะสร้างความร้าวร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจในระดับที่เราเรียกว่าเป็นนิวรณ์คือครุ่มรุมใจนั้นกิเลสประเภทนิวรณ์ ที่จริงก็คือกิเลสประเภทสังโยชน์ที่เข้มข้นขึ้นลักษณะาอาการที่เปลี่ยนแปลงไปคือมีความเข้มข้นขึ้นนั่นเองท่านก็เปลี่ยนชื่อเรียกหรือแม้แต่พวกอาชญากรรมทั้งหลายที่ออกมาในรูปของการละเมิดศีลบทบัญญัติของกฎหมายอันที่จริงก็คืออาการของสังโยชน์ที่มันเข้มข้นขึนข้นกว่าเดิมอีก แล้วในที่สุดก็คุมไว้ไม่อยู่ออกมาเป็นการกระทำผิดต่อชีวิตบ้างต่อทรัพย์สินบ้างต่อคู่ครองบ้างของบุคคลอื่นตลอดถึงการพูดจาไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงจะเรียกว่ามุสาวาดเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดที่จริงแล้วก็เป็นอาการของกิเลสซึ่ง เรียกชื่อต่างๆกันแล้วก็มีความเข้มข้แตกต่างกันนั่นเองการที่เรียงแบบสังโยชน์เป็นการเรียงแบบที่พระยาบุคคลจันละได้เพราะการเรียกกิเลสว่าสังโยชน์แล้วก็มีวิธีเรียงไม่เหมือนกันเฉพาะที่นํามาเผยแพร่กันมากก็คือระดับการเรียงตามความ การละได้ของพระยะบุคคลคือสามข้อแรกที่จริงแล้วก็เป็นอาการของโมหะที่ค่อนข้างแรงแล้วก็นําไปสู่ปัญหาเราอื่นอีกเป็นนั้นมากเพราะความหลงเป็นเหตุนั่นคือความเห็นเป็นเหตถือตัวถือตนความเคร่ยดแรงสงสยัยไม่แน่ใจในคุณของพระตันไกรเป็นตน้นการถือมั่นโดยศีนวัดโดยข้อปฏิบัติ ที่มีความปักใจฝังใจล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเอาความเป็นสุดไปเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นเป็นต้นแม้ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะสามารถช่วยช่วยช่วยเราหลุดรอดจากอำนาจของกิเลสได้ก็ตามแต่ว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของศีลปฏิัตราบมาศคือาการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดตอนนี้เป็นเพราะ อ, อะไรเพราะว่าลาักษณะของการยึดมั่นถือมั่นจะก่อให้เกิดความยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นแต่เดูเห็นให้ดูที่จิตแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอาการของราคาความกำหนัด ความพอใจความติดใจในข้อปฏิบัติที่เรายึดมั่นหรือมัน่นในขณะเดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นปฏิฆะคือไม่ชอบใจในสิ่งตรงกันข้ามนั่นคืออาการของอะไรอาการของความรักความจังความรักความจังเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทอะไรเกิดขึ้นมาจากโลรโปวดหลง เพราะอันทัดจึงถือว่าเป็นสังโยชน์คือเป็นกิเลสที่ปุกใจสัตว์เอาไว้ถ้าสามารถนี้พระระยะบุคคลระดับโสดาบันละได้เป็นการละได้ทังเด็ดขาดคนที่สามารถละกิเลสประเภทนี้ได้หมายความว่าศีลของท่านนั้นจะมีความสมบูรณ จะเป็นความสมบูรณ์ประเภทที่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตคืองดเว้นอย่างเด็ดขาดตลอดชีวิตของท่านจะไม่มีการระพฤติการกระทาที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของศีลในศีลที่ประนีขึ้นไปอาจจะมีการละเมิดบางแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้ตกนรก อาจจะเผลออาจจะพรัง้งอาจจะพลาดเต็กเกก็น้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เป็นเรื่องของบาปแต่เป็นเรื่องบทบัญญัติของพระวีดไนซึ่งท่านสาวชนท่านลาจะสังเกตได้ว่าแม้ในศีลนแปประการบางอย่างมันไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปาสากลคือไม่ใช่ว่าคนโดยทั่วไปและมืดแล้วจะเป็นบาปด้วย เศษศีลก็หนึ่งก็ 2, สองก็ 3, สามก็สี่ในแง่ของความเป็นศีลห้าแล้วก็ถือว่าบาปสากลถ้านในแง่ของความเป็นศีลแปดศีลข้อที่สามไม่ใช่บาปสากลมันเป็นบาปเฉพาะคนที่สมาทานศีลนุโมสถขึ้นไปเท่านั้นเพราะศีลข้อที่สามมีบัญญัติที่เกี่ยวกับมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งก็าสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์โลกในชั้นกามเมาเจรภูมิทั้งหลายแต่ถ้ า, าคนี่ท้านเกยสมาทานศีนดับศินแปะขึ้นไปก็ถือว่าเป็นบาปโดยการรับประทานอาหารเย็นในศีลข้อแปในศีลแปดมันก็ไม่ใช่บาปสากลเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมาใสยอาหารมันจะเป็นบาปเพราะผิดศีลผิดสัจจะ ของผู้ที่สมาธานศีลแปดประกาศขึ้นไปเท่านั้นเองตอนเราจึงจะเห็นได้ว่าคนที่ลดละกิเลสได้ระดับนี้มาจะเพอเลินในส่วนที่ไม่ใช่บาปสากลหมายความว่าเป็นบทบัญญัติเป็นภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านสำนวนทางศาสนาที่เรียกว่าปณติวัชชะ คือบรโทษตามบทบัญญัติของพระวินัย์แต่ส่วนที่เป็นบาปสากลคือหมายความว่าใครก็ตามนักตรีศาลาอะไรก็ตามละเมิดแล้วผิดด้วยกันเนี่ยคนระดับปสศดบันท่านไม่ละเมิดโดยการตัดสังโย์ได้เด็ดขาดไปเลยระยะบุคคลระดับสองที่เรียกว่าสกิตาคามีหรือสักตคามี ไปโดยรูปสับคือท่านที่มาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าท่านตายไปแล้วบังเกิดในที่ใดก็ตามก็จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วในสุดจะบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปคือบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปกิเลสทั้งสามประการนั้นทันละได้ขาดมาตั้งแต่เป็นโสดาบัน <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ทําให้ ราคาโทสะโมหะของท่านเบาลงเบาลงขนาดไหนก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนแต่จากการศึกษาเทียบเคียงตรวจสอบประวัติพระญาบุคคลระดับนี้ดูปรากฏว่าท่านไม่มีคู่ครองไม่มีครอบครัวเราแสดงเห็นว่าพระยาบุคคลระดับนี้ จะไม่มีความต้องการทางเพศหมายความมาราคะสงบไปมากแต่ไม่ถึงกระขาดพอมาถึงประาคา ม, มีที่แปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วหมายความมาเมื่อท่านตายไปก็บังเกิดในพรหมโลกชั้นสุดท้ายที่เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์อายุในสถานที่นั้นก็คงนานมาก แลว้วมันเปลียงมปนรู้มรรคผลในทิศ น, นั้นการที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าทันละกิเลสเพิ่มขึ้นอีกสองข้อคือการมราคะเป็นกิเลสประเภทโทสะปฏิฆะเป็นกิเลสประเภทโทสะและการมราคะเป็นกิเลสประเภทโลภะซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมส่วนสังโยชน์อีกห้าข้อ สัมโดนมลีแต่เรียกว่าสังยุตเบื้องสูงคือมีความประนีตดูแล้วไม่ก็เห็นอาการของกิเลสเท่าไหร่แต่ก็คือกิเลสนั้นก็คือรูปประกาคะความกำหนัดในรูปความกำหนัดความพอใจความยินดีในรูปเรื่องของธรรมะนั้นอัตถะ กับพยัญชนะคือเนื้อหากับภาษาที่ใช้เราจะเห็นว่าถ้าเรียงลำดับลงมาอย่างนี้มาถึงลำดับที่ห้าที่หกรูปประาคาในที่นี้หมายถึงความพอใจติดใจอยู่ในรูปประชานคือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากฌานเป็นแนวของพวกฤษีทั้งหลาย พิโพภตัณ น, นานวฤษีอยู่ในป่าเข้าสมาธิเข้าฌานเล่นฌานจนหดยาวบางแห่งท่านบอกว่านกกระจอกมาทํารังยังไม่รู้สึกตัวนั้นถ้าก็หาความสุขในส่วนของรูปฌานมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญสมาธิแต่นั่งคือการยึดติด เพราะว่ามันจะทําให้ได้ราความสงบระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพราะกิเลสยังมีอยู่ท่านก็ต้องหมุนวนอยู่ในสงสารวัฏแม้ตาจากชาติที่ท่านบรรลุฌานจะไปบังเกิดเป็นรู ป, ประพรมก็าตามรู ป, ประพรมก็คือภพภพก็คือชาติหรือการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย เพียงแต่ว่าไม่วุ่นวายอย่างโลกมนุษย์เท่านั้นเองแต่ในสุดพรมก็ต้องจุติเหมือนกันเพียงแต่ว่าอายุบรรยาวนาเพราะถ้าไปเทียบกับมรรคผลที่เป็นของแน่นอนว่าชีวิติการเวรไหวาตายเกิดในสังสารวัตแน่อย่างช้าที่สุดในกลุ่มพระยบุคคลก็อยู่ที่ประโสดาวันประเภทหนึ่งที่ท่านใช้ก็มารวาสตักกตุปรรมะ ความมันจะเกิดในโลกอีกอย่างมากที่สุดนี่เจ็ดชาติแล้วก็จะนิพพานแต่คนที่ติดอยู่ในรูปฌานจนแม้จะบังเกิดในรูปพระพรหมก็มีกติที่ไม่แน่นอนคือจุติจะรูปพรหมอาจจะตกนรกเลยก็ได้หรือเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ยันที่ส่งแสดงเป็นอุปมาให้เราเห็นว่ามันเหมือนกับคนจับท่อนไม้โยนขึ้นบนบรรยากาศเราจะกําหนดได้หัวให้กลางให้ปลายตกเนี่ยมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัใจจัยในแต่ละขณะบางครั้งอาจจะหัวลงบางครั้งอาจจะ ก, กลางลงบางครั้งอาจจะปลายลงวนซัตว์โลกที่ยังมีกิเลสสิ้นตายจากโลกนี้ไปหรือจากโลกอื่นไป มันก็ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวุกเวียนเกิดเวียนแก่เวียนจะเวียนตายจะอยาบจะกลางจะประณีตอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเป็นการมองจากผลสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลเป็นพระญาพุทโธระดับสูงคือพระอระหรันต์ ดังนั้นเราจึงพบคำพระพุทธรำรัสเป็นลูกคงพระพุทธอุทานเพราะจริงๆรับสั่งลำพังพระองค์เองตอนที่ทรงประรบถึงการจะเสด็จไปโปรดใครจะแรกก็ น, นึกถึงท่านอาลาบทกาลา ม, มาโคต ร, รุกดาบทรา ม, มาปุตรซึ่งเป็นอนดีตอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธิให้แต่ก็ต้องรู้ด้วยปัญ่าอาจารย์ทั้งสองได้ตายไปแล้ว คนหนึ่งตายไปตั้งสิบห้าวันแล้วคนหนึ่งก็เพิ่งตายเมื่อเจ็ดวันเองพระเจ้าต้องทรงอุทานขึ้นมาว่าอาจารย์นั้นประสบความที่จริงบาลีใช้คำวิจิพายซึ่งคําวิจิบพายในภาษาบาลีไม่ใช่คำหยากเช่นถ้วยแตกผ้าขาดท่านก็ใช้คำวิจิพายในภาษาไทยคล้ายๆน่ากลัวเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอะเอาจารย์ทั้งสองนั้นได้พลาดโอกาสที่จะฟังธรรมในสนักราบุทรเจ้าแน่นอนเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นในรูปประพรมสวสุดในรูปประพรมนานแต่เพราะท่านมีกิเลสท่านก็ต้องจุตติอีกนี่หมายความว่าเราเอารู ป, ปราคะมาเรียงลำดับอย่างนั้น แล้วคําคสอนบางอย่างนี่มันกระโดดไปอยู่เพียงข้อเดียวย่งที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านสาธาชนทั้งหลายฟังว่าขันติกับธรรมะธรรมะเปว่าการข่มใจการหนข้ามใจสามารถหยุดตัวเองได้เบรกตัวเองได้ไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับขันติความหมดรั้นความอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบ จาข้างในก็ตามข้างนอกก็ตามตาปกติในพังประทังปฏิบัติแล้วก็ใช้แทนกันได้หมายความว่าธรรมะความผมใจที่จริงดูมุมหนึ่งก็คืออดกลั้นอดทนไว้ได้การอดกลั้นอดทนไว้ได้ก็แสดงว่าหักข้ามใจไว้ได้แต่ว่าเมื่อมาด้วยกันเนช่น ในคารวาาัตธรรมเกิดธรรมะของผู้ปกครองเดือนที่จงสอนเรื่องสั จ, จธรรมขันติจากขะไว้ธรรมะมีกรอบเนื้อหาเพียงแต่หักข้ามใจตัวเองหมายความว่าเวลาตนคิดแต่วมันเพิ่งกิเลสเน่คิดเรื่องอะไรก็ตามแต่มันเพิ่งกิเลสก็ใช้ธรรมะข่มใจไว้หักข้ามใจเอาไว้แต่เรื่องอะไรก็ตามที่เราคิดแต่มันเพ่ธรรมะ ก็มีหน้าที่ประคับประคองเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นประการฝึกด้วยตอนนี้ก็ฝึกจิตได้คิดธรรมะได้ด่านๆแต่ถ้าอารมณ์จะกระทบจากข้าง น, นอกเชนถูกยั่วยุย่ยนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรุนแรงของสภาพแวดล้อมความเ่ยยากลำบากในภารกิจการงาน แล้วก็สอนให้ใช้ในแนวพันติแต่ถ้าว่าวพันติมาข้อเดียวมันก็ใช้ในแนวของธรรมะด้วยเพราะมาถึงรู ป, ปราคะมันก็เป็นเช่นนั้นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราไปพบกับวรู ป, ปราคะโดดๆอยู่คําเดียวตรงนี้ความหมายไม่ได้เป็นแค่นั้นแต่จะหมายถึงอาการของจิตที่มีความกําหนัด พอใจรักใคร่ปรารถนาต้องการสิ่งที่ตนได้เห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สูดดมมาด้วยจมูกได้ลิ้น ม, มาด้วยลิ้นไดจับต้องมาด้วยกายรวมถึงการเหนียวนึกรึกนึกด้วยความใคร่ด้วยความปรารถนาด้วยความพอใจในสิ่งนั้นนั้น ในความปรารถนาความต้องการเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตก็ได้แตามกรอ บ, อบขายของธรรมะที่มีอยู่ข้อเดียวเนี่ยจะกินความมากธรรมะจะมีมากข้อกรอบเนื้อหาของธรรมะแต่ละข้อนั้นจะแคบลงนั่นคือความฉลาดใน การสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าบางครั้งได้รับสั่งเพียงคำเดียวก็จบลวเช่นอย่าประมาทก็จบลวเรนัว่าปัญญาจะจิตใจคนจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเนี่ยก็จบละพูดสั้นๆเอาเวลาสี่ส้าปีมาพูดไม่กี่วินาทีจบ นั่นคือแน่ของการประพฤติปฏิบัติเพราะเมื่อมองจากหลักของการปฏิบัติองค์ธรรมแต่ละข้อนี่จะเริ่มต้นขึ้นมันจะดึงดูดเอาธรรมะที่เป็นกลุ่มเดียวกันเข้ามาเวลาพูดก็พูดะว่าะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ เช่นจงมีสติเป็นผู้ตื่นตลอดการเป็นนิดก็จบเหมือนกันถ้าเราตื่นได้จริงแต่ว่าในเชิงของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจก็ไม่ได้มีเฉพาะสติข้อเดียวหรอกเพียงที่ว่าสติจะเป็นตัวนำทำให้จิตเรามีความตื่นอย่างโดดเด่นปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเพียรมีปัญญามีสทามีธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเราอื่น เกิดขึ้นสนับสนุนสติอยู่ในขณะนานๆด้วยปพระรูปราคาจะพูดในแนวทั่วไปหรือจะพูดในแนวละเอียดกระตักก็คือสังโยชน่นวงเหนียวคนเอาไว้อย่างน้อยก็ประสบความทุกข์ในสังสารวัฏคืออย่างต้องเกิดจุ ดังนั้นแม้คนระดับพระนาคามีพ ร, พระโสดาวันพระสกิตาคามีพระนาคามีซึ่งท่านยังต้องเกิดอยู่ถ้าคงไม่ทุกข์อย่างเราทุกข์หรอกแต่ท่านก็ทุกข์ในสังสารวัฏหมายความว่ายังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏจึงเป็นสังโยชน์ที่ต้องละทั้งการละการยึดถือบางจุดละละที่ในบางจุดนี้ ทำให้บางครั้งพระเจ้าส่งอุปมาธรมาา ร, ออระ ม, เมรระมเหมือนกับแพร์มือกคยานพาหนะที่เราต้องอิงอาศัยบางทีอุปมาเหมือนรถบางทีก็อุปมาเหมือนกับแพร์แต่ในโบราณนี้เรือก็คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราจึง่เพระว่าอุปมาส่วนใหญ่จะเป็นแพร์พอราขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยยังไม่ถึงจุดปมายปลายทางหรอกยังต้องไปด้วยรถอีกรถรอาจจะหลายผลัดอย่างที่ทรงแสดงไว้ ในรสูตรบาวสูตรสแสดงในรถเจ็ดพระอย่างในสแสดงแนววิสุทธิเจพระพุนนทธนาฏานีบุตรกับภาษาบุตรท่านคุยกันก็พูดในแนวของรถเจ็พระซึ่งหมายความว่าเช่นสมมุติว่ารถคันนี้เดินระยะทางสิบกิโลในส0กิโลนั้นเราต้องอาศัยรถคันนี้แต่ไปถึงกิโลที่ สิแล้วเนี่ยจะขึ้นรถอีกขบบนหนึ่งอีกคันหนึ่งต้องทิ้งรถนี้ไปยึดติดอยู่ในรถคันนี้ไม่ได้เพราะถ้ายึดติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะจึงมีการยึดติดแล้วก็มีการปล่อยวางแล้วก็ขึ้นไปยึดติดใหม่แล้วก็ปล่อยวางจนกว่าจะเลิกการยึดติดคือถึงจุดหมายปลายทางจริงๆเรื่องวันนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประณีตในส่วนอธิบายแรก อธิบายถึงทั่ ว, วไปมันไม่ค่อยยากอะไรหรอกจะดูแต่ส่วนที่เป็นความสงบภายในแล้วเรามองเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่สงบจริงมันแก่นเป็นการสงบชั่วคราวแต่ น, นั้นเองคนมองได้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะเราแยกได้ยากมากเช่นว่าตั้งสาชนทั้งหลายเจริญสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นเต็มเปี่ยม เราไม่เห็นกิเลสเลยกิเลสไม่ปรากฏในขณะนั้นๆทั้งๆที่มันมีอยู่เยอะเพราะอะไรมันตกตะกอนมันภาชนะที่มันตกตะกอเหมือนเหมืดเหมือนุูนละอองทุรีนะฮะที่อยู่ในน้ําแล้วมันตกตะกอนตีถ้าตกตะกอนภาชนะมันใหญ่เนี่ยบางทีเขย่ยเบาๆมันก็ไม่ฟูขึ้นมาน้ําก็ยังใสอยู่เหมือนเดิม จึง ท, ทำให้ดูได้ยากเพราะคนดูจะต้องมีปัญญาเป็นแสงสว่างส่องลงไปตัวอย่างเรื่นี้ท่านสนาธุชงหลายคุนึกออกว่าท่านอาาราบุตุตะกดาบทเนี่ยองค์แรกนั้นท่านบรรลุฌานแปดข้อไเจ็ข้อเรียกสมาบัตร7องค์ที่สองเนี่ยบรรลุหมดทั้งแดข้อเรียกสมมาบัติป ทั้งหมดนั้นเป็นผลของสมาธิสงบลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นเป็นฌานแต่ทั้งสองท่านนั้นท่านไปยุติดว่าอ้นนี้มันสุดยอดแล้วจบแล้วเป็นนิพพานแล้วท่าก น, น, นก็ไปนินรธเกษรเกะสนอันไรก็ถือว่าจบแล้วแต่พอเจ้าชายติตะทะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มาบวชเรียนอยู่ในตำหน่งของท่าน ทรงวิเคราะห์ดูจิตว่าจิตเราที่ดูแล้ๆจะสงบเนี่ยที่จริงมันไม่สงบจริงอ่ะมันยังมีตะปอนภายในตึ๊ดๆเพียงตัว่าแรงกระแทกมันไม่แรงจนถึงกิกเลสฟูขึ้นเพราะฉะนันทรงเปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเปลี่ยนมาเจจรื่อยๆจนตัศรถ จะพบการตัดสู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้เสริมพระนามว่าวิชิตมานหรือพระผู้พิชิตมานที่ก่อกาเนิดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยกระเจดว่าตรงไหนที่สุดการพยายามมานมาผจญก็พิสูจน์ได้พระเจ้าไม่หวั่นไหวไม่แพ้แพ้ต่อพยามามตัดสู้ไปแล้วเจ็ดสัปดาห์ ที่ดา ม, มานางตนะราคาราตีมาโยโย่วยวในวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็จบลงที่เธอทั้งสามนั้นต้องพ่ายแพ้ไปนี้แสดงอะไรแสดงว่าไอ้กิเลส ท, ที่ซึมุ่อยู่ภายในมันถูกละได้อย่างสิ้นเชิงป็นทีน่าสมัยระดับฌาน มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามีรูรมายุยวนจากข้างนอกหรือยัยุมาจากข้างนอกเนี่ยแต่สิ่งที่ต่านทานใจคุ้มครองใจเนี่ยจะต้านทานไม่อยู่เมื่อมันแรงเราจึงพบบางครั้งฤาษีโกรธแล้วก็มีการสาบแช่งคนเราจึงพบบางครั้งว่าฤาษีตาบะเสื่อมเพราะถูกแรงกระแทก นโรยอพยศเหล่านี้ที่ยืมนก็มีอยู่ในคัเพีรยวพุทธศาสนาเช่นอิสิปัตนามฤุกถายวันที่แปลแล้วก็บอกว่าปลาปลาเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกของฤาษีหมายความฤาษีหล่นมาจากฟ้าท่ามทำไมจึงหล่นเพราะจิตไปกำหนดด้วยความกำหนัดในรูปของสตรีที่ร้องเพลงอยู่ข้างล่างในเสียงของสตรีที่ร้องเพลงอยู่ข้างล่าง มันเลื่อนลอยมาด้วยอำนาจของปัญญาเกิดกำหนัดในเสียงก่อนนะคือได้ยินเสียงก่อนแล้วก็ใส่ใจไปดูรูปว่าเกิดพอใจในรูปจิตมันก็ปรุงแล้วก็เพิ่มกิเลสกิเลสมันก็ฟูขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกฌานมันก็ทันทานทา น, ทา น, ทา น, ทานไว้ไม่ได้เรกว่าะฌานก็เสือเส่อมเสื่อมลงมาด้วยฌานมันเหาะมาด้วยฌานฌานเสื่อมมันก็เหาะไม่ได้นะ มันก็ไปไหนรถเสียมันก็ไปไม่ได้นั่นแสดงให้เรื่องสภาพจิตเพระมอือขนาดนี้แล้วจิตใจขนาดนี้แล้วโดยกระแทามมากๆก็เอาไปอยู่เหมือนกันนั่นก็คืออะไรคือแสดงวลาลู ป, ปราคะอย่างไม่ขาดเพียงแต่ว่ามันสงบไว้ในขณะนั้นๆเราเนก็มันไม่มีแล้วแล้วก็เหมือนรักาโรคอะไรนะ รักสาโรคบางครั้งเราก็รักษาไปก็เข้าใจวมันหายแล้วปรากฏว่ากลับมาบ้านมาวัดไม่ท่า่โรควางกำเริบอีกบางทีก็ต้องวิ่งข้าววิ่งออกโรงพยาบาลเพการศึกษาในจุดนี้จึงแม้เราจะได้สมาธินะก็ต้องโดยชัดเจนเพราะถึงระดับหนึ่งแม้ระดับปฐมฌานเนี่ยเรา รู้สึกว่าเราได้รับความสุขแล้วความสงบมากแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันต่างจากสภาพจิตในขณะที่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีฌานระดับนี้ซึ่งอาจจะลงยึดติดอยู่ในตัวนั้นอีกก็ได้และคนเป็นอันมากในสมัยนั้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นนิพพานเหมือนกันท่านก็ติดอยู่ตรงนั้น เพรปัญหาสําคัญจึงต้องดูที่จิตใจตัวเองให้เห็นจะมากหรือน้อยก็ตามก็คือกิเลสแล้วก็เพี่ยนพยายามข่มใจอาข้ามใจฝึกเปลือจิตใจโดยอาศัยพลังของสมาธิขจัดบรรดากิเลสเหล่านั้นให้สงบลงแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดได้ต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป